มีความสงบนพระใจดรงนี้เป็นใหญ่ใจดรงนี้ก็เป็นหัวหน้าเนื้อเป็นประธานทุกอย่างก็สำเร็จแล้วด้วยใจภาษาบาลีว่ามนโนบุพังคมาธรมมามโนเศรษฐามนโนมยาใจดรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นบุญก็อยู่ที่ใจ เป็นบาปก็อยู่ที่ใจจะสุขก็อยู่ที่ใจจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่จะมาเป็นมนุษย์ก็ใจตรงนี้ก่อนที่มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์จะไปเป็นเทวดาก็ใจตรงนี้เองที่มีบุญกุศลก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นพระจะหมดกิเลสก็ใจตรงนี้แหละหมดกิเลสก็ น, นิพพาน ในใจตรงนี้ทํามันมีรวบกดลงมากนะคุณภาพของใจมันก็ตกต่ำลงไปกับมนุษย์อีกลงไปสู่อาบา ย, ยภูมิเป็นภูมิที่ไม่สบายเราทุกคนก็ต้องการความสบายนะต้องการความสุขใจไม่ต้องการความทุกข์ใจในเบื้องต้นเราก็มาปฏิบัติธรรมมาให้ทานนล้วก็ตั้งใจ ของเราว่าเราจะมีศีลเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติทางกายวาจาเนื้อแต่ใจที่มันยังคิดนึกปรุงแต่งไม่หยุดเราก็ต้องมาฝึกใจเพราะใจที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนําความสุขมาให้นะเราจะฝึกอย่างไรก็มาฝึกใจของเราให้มีอารมณ์กรรมฐาน ที่พุทธโธธรรมโมสังโฆดูลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอย่างนี้เป็นตน้นพยายามที่จะประคับประกองใจตรงนี้ให้มีสติอยู่กับคําว่าพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อเราพยายามอยู่อย่างนี้ทุกวันแล้ว วันใดวันหนึ่งจิตมันก็จะสงบเข้ามามีความปีติมีความสุขใจมีความอิ่มใจเรายินได้ว่าใจที่นึกคิดปรุงแต่งไปนั้นมันเกิดความวุ่นวายแต่ใจที่เรามีสติรวบรวมกำลังสติ ของเรามาอยู่ในจุดเดียวในลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะรู้สึกว่ามีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเรียกว่าเป็นนิราเมตสุขสุขที่ไม่อิงกับสิ่งภายนอกปกติแล้วใจที่อิงกับสิ่งภายนอกก็เป็นใจที่ยังมีความโลภกดลงอยู่นาถึงจะหาความสุขได้ แต่ความสุขนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กลับมาอีกแต่ใจที่ไม่อิง ก, กับสิ่งภายนอกมาสงบนิ่งอยู่ภายในนี้นะเป็นของสําคัญเราก็มาฝึกใจฝึกใจฝึ ก, กจิตตรงนี้แหละให้มันดีขึ้นให้มันมีการพัฒนาขึ้นไปตามระดับเมื่อเราพัฒนาได้หรือเราตั้งใจที่จะฝึกมันมีความสงบเข้ามาแล้ว เราก็จะมาพิจารณาอยู่ในความจริงที่จิตใจของเรายังหลงยึดอยู่ยังไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ใช่มาโรคกกยนี้แหละเอาใจนั่นแหะมาพิจารณาดูที่ว่าโรคกกยนี้มันใช่ตัวเ ช, ช่ตนจริงๆริงไหมถ้าจิตใจเรามีสติสมาธิดีปัญญาเกิดจะมองเห็นว่ามันไม่ใช่แท้ที่จริงเป็นาธาตุตามธรรมชาติ รวมประชุมกันเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติเรียกว่ากฎของอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาการที่เราเห็นธรรมะก็เห็นความเป็นจริงว่าก้อนกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและตัวจิตใจตัวนี้เองละ่ะมันเที่ยวนึกคิดปรุงแต่งไปดีบ้างชั่วบ้างก็ตามเขาสักแต่ว่าจิตไม่ควรจะมายึดเอาอีกละ บอกความคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกทั้งหลายเป็นตัวเราของเราให้มีสติก็มีปัญญาก็ปล่อยวางอีกทั้งกายทั้งใจเราเ ห, เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว่าเราก็เห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะนะตัวใจนี่เองก็จะปลอดโปร่งอยูล้นะเพราะเราเห็นความเป็นจริงเห็นสมมุติตามความเป็นจริงแล้วใจนี่ก็ ว, วิมุตต์แล้ว่านหลุดพ้นออกไปจากกองกิเลส ตัดกิเลสให้เป็นสมบูเชตถะหารโดยในเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พยายามจะสร้างคุณงามความดีการที่เราเกิดขึ้นมาในโลกเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนานหาได้ยากเราพยายามสร้างความดีไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มอยู่เรายังแข็งแรงอยู่ สังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเมื่อมีกำลังแล้วต้องพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาพยายามค้นหาความเป็นจริงสร้างสมอบรมบุญวัสนาบารมีของเราเนี้ยให้มีมากขึ้นการฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งเหมือนกันนะฟังธรรมตามการเป็นบุญกริยาวัตถุอันหนึ่งที่จะประคับประคองจิตใจของเรา ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาแต่สิ่งที่สำคัญนั่นเราจะต้องพยายามปฏิบัติภาวนาโดยกามมีสติของเรานี้ให้มากขึ้นเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติมีสติของเราใ้มากขึ้นแล้วสมาธิตั้งมัน่นปัญญาเกิดเราก็จะเข้าใจในความเป็นจริงได้เมื่อเรามาวัดเราก็มาภาวนาอยู่ที่บ้านเราก็ให้สวดมนต์ ภาวนาให้มีโอกาสในวันหนึ่งนะั่นรวมจิตเข้ามาสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเวลาสัก30นาทีหรือว่า1นชั่วโมงมก็ขอให้พยายามทําทั้งครอบครัวอย่างนี้เราก็จะมีความสุขและมีความสงบตามกําลังและตามอัตภาพตามและกำลังที่เราได้ปฏิบัตินะก็ขอให้พยายามภาคเพียรพยายาม ปฏิบัติภาวนากันอย่างนี้ให้สม่ำเสมอทีเดียวเมื่อเราทำอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์ทุกวันทุกเดือนแล้วนะนนหลายปีขึ้นมาเห็นผลปรากฏชัดขึ้นหัาใจของเรามีสติดีขึ้นมาสามารถยับยัง้งความคิดนึกปรุงแต่งของเราได้ให้อยู่ได้ระดับถึงบางครั้งก็เป็นสัญญาอารมณ์ที่ฝังกิตฝังใจมานาน ตัวสัญญาอารมณ์นี้มันก็ไม่เจตตัวไม่เจตตนนะมันจําได้หมายรู้ว่าชอบคนนั้นเกลียดคนนั้นรักคนนั้นชังคนนั้นมันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาอีกก็จะเกิดความรู้สึกลักชังเกลียดโกรธกลัวขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันตัวสัญญานี้แล้วมันก็ไม่มีตัวตว น, นเออมันเป็นเพียงสัญญามาหลอกลวงเท่านั้นเองเกิดเกิดดับดั บ, ดบเหมือนพยาบแดดในควรที่จะไปยึดมัน่นถือมั่นในสัญญาอารมณ์นี้ ว่าเป็นสาตร์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานะก็ไม่ยึดในสัญญาอารมณ์เรื่องตัวนามที่มันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในดวงใจนั่นเองแหละตัวสัญญานี่ก็ดีตัววิญญาณก็ดีตัวสร้างขานก็ดีตัวเวทนาก็ดีก็เป็นส่วนของนามมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมมาหนึ่งแล้วเป็นขันห้ารูปประขันนามประขันถ้าเรายึดมั่นในสัญญาในอดีตว่าเป็นตัวเรา รูปปขันในปัจจุบันนี้เราก็ยึดเอาว่าเป็นตัวเราถ้า ต, ตัวสัญญานั้นปรากฏขึ้นมาแล้วเราไมา่ได้ยึดในสัญญานั้นเป็นตัวเราเราก็ไม่ได้ยึดรูปในปัจจุบนันว่าเป็นเราถ้าเรายึดรูปเราก็ยึดน้ำด้วยถ้าเราไปยึดน้มนั่นเองกก็มาถึงรูปอีกเป็นรูปเป็นนามเป็นขันหา่าเป็นกองขันนั่นเองเราก็จะต้องมาเฝ้าสังเกตดูว่าใจของเราเป็นอย่างไรบางครั้งมีสัญญาอารมณ์บาปรากฏขึ้น เมื่อเราจิตของเรานิ่งทาให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นเวทนาเมตนาเรายึดไปยึดมั่นถือมั่นอีกก็เกิดเป็นตันหาเหมือนเวียนเปลี่ยนไปกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละเป็นภพเป็นชาติเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะเพราะความหลงอวิชชาที่มันไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเราต้องต้องมาฝึกมาปฏิบัติกันแต่ถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราไมา่ได้มาฝึกหัดปฏิบัติเลยแล้วก็ตายไปเปล่าในชาติหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งเราก็เกิดตายเกิดตายไปอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถทวนแล้วนะักก็ให้พากันตั้งใจฝึ ก, กจิตของเราดูจิตของเรามันเป็นอย่างไรบางครั้งมันยึดถือสิ่งไหนเราก็แก้ไขให้จิตของเรามาอยู่ตรงกลางๆเป็นมัจจิมาปฏิปทาให้ความเกิดดาบขึ้นเฉพาะหน้านี้แล้ว จิตของเราตั้งอยู่ตรงกลางๆนี้ตรงกลางๆนี้เมื่อมันมีกําลังมากขึ้นมาแล้วกระตทางเข้าวิมุตต์หลุดพ้นไปด้วยการที่เรามีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5้านี้เองเพราะฉะนันทำไมเราจะต้องมาฝึกกิตที่นิ่งเพราะว่าถ้าจิตไม่หนิ่งจิตก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้มันจะยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเพื่อให้ตั้งใจพยายามเพียรให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้น ใจของเราจะได้พ้นทุกข์ไม่มากก็น้อยคอยตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกทุกท่านเทิญ